วัเด็กปศ2465ก็ออกจากโรงเรียนได้เพียงป .2 เท่านั้นในระหว่างนั้นอายุ12ปีได้มีพระทุดงองค์หนึ่งได้มาพักอยู่ที่ตอนหัวนาบิดาก็ไปทำลล้างถวายให้พักท่านจะพักที่นั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์พันษาของท่านล่วงแล้วเจ็ดพันษาชื่ออาจารย์คำภาอยู่บ้านพลเราอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีบิดาของท่านเคยเป็นสหียกับบิดาของข้าพเจ้า และตัวของท่านก็เคยเป็นสหายกับพี่ชายของข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าทิศทองดีจึงเป็นที่คุ้นเคยเคารพนับถือกันมาแต่ยุคบิดาตลอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเวลาที่พระธุดงพักอยู่ที่นั้นเมื่อเลิกจากโรงเรียนแล้วบิดาข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าไปรับต้มน้ําร้อนถวายท่านก่อนเก้านาฬิกาตอนเช้าก็เหมือนกันไปคอยรับใช้ท่านเพื่อประเกียรของคนอายุสิบสองปี รู้สึกสังเกตพระเป็นโดยไม่มีใครบอกเมื่อเห็นท่านมีอากรบกิริยาเรียบร้อยพร้อมทั้งฉันในบาตรรวมทั้งหมดทั้งหวานทั้งข่าวเอาข้าวและกลับไว้ในบาตรพอดีเหลือไวในบาตรเพียงสองสามคำและไม่ฉันอืดอัจอยู่นานด้วยรีบล้างมือและปากและล้างบาตรเช็ดเรียบร้อยรวดเร็วพันไม่ปึงปังป ก, ปกเป๊กอะไรก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสเขารบักองค์ท่านมา ผิวพรรณวันณาของท่านก็ผ่องใสและเดี๋ยวนี้ก็ไม่จืดจางในองค์ท่านละลึกถึงเวลาใดก็ไม่จืดจางคงไม่หนีจากรสเข็มคือเกลือบิดาของข้าพเจ้าย่อมไปนอนด้วยองค์ท่านทุกคืนศึกษาธรรมะท่านเล่าให้บิดาฟังว่าเดินทุดงไปก้มหน้าทอดจับสุภพอประมาณภาวนาพุทโธติดต่อไปพร้อมกับเดินไม่รู้ว่าข้ามแม่น้ำโขงตั้งแต่เมื่อไร เลียวหลังอื่นเห็นแม่น้ําของอยู่ข้างหลังข้ามมาแล้วคําลับของท่านนี้มิได้เล่าทั่วไปเล่าให้จิดาข้าพเจ้าฟังเท่านั้นท่านเล่าเรื่องทอ่านเดียวมองที่ท่านไปว่ามีสะพานหิข้ามเหมียวไปประมาณสองเซนส่วนเหียวนั้นลึกมองลงไปใต้สะพานเห็นซากละและบาทอยู่หลายๆลายซากเพราะลื่นสะพานหินตกลงส่วนท่านนั้นพลาดลงแบบเบาๆแต่ตะคุบทานบาทบูบบ้างไปด้วยกันห้าองค์ ไปลงท้องมลณากลางทางก็มีไปพลาดสะพานหินตกลงมลนาก็มีเหลือแต่ท่านองคเดียวได้เข้าถึงถ้ำ น, นั้นถ้ำ น, นั้นมีประตูหินปิดถึงห้องห้องเป็นระยะระยะไปห้องทีแรกมืดภาวนาติดต่อพุทธโธอยู่ไม่ขาดปราดปฏได้ยินเสียงเปิดประตูดังจี๊ดอาจี๊ดอ า, อาแต่ไม่ได้เดินเข้านั่งขยับเข้าผ่านถ้ามืดแล้วก็สว่างตามีเสือโคร่งอ้าปากใจเสือจริงไม่ใช่รูปหิน ทำท่าทางให้ครัวพิลึกพ้นห้องนั้นแล้วถึงห้องกองเงินกองทองพ้นห้องนั้นไปได้ยินแต่เสียงพูดไม่เห็นตัวพูดเสียงเย็นเย็นไพเราะว่าลาสิกขาเสียเนอไปมีเมียเสียเนอเสียงหนึ่งพูดขัดขึ้นมาทันทีแบบไพเราะเย็นเย็นว่าถ้าท่านลาสิกขาก็เท่ากับว่าตายจากทำอันจะพึงได้ถึงถึ ง, ถงท่านอย่าลาเนอ้อนี่แหละคนอายุติดสองปีจําได้ เพราะบิดารับมาจากท่านแล้วเล่าให้ฟังและท่านได้เล่าเรื่องท่านไปวิเวทดดยคิดจะปูดอเนกปริยญยเพราะท่านไปถึงมูลค่าปัจจัยเงินเหรียญเขาถวายท่านหลายล้อยหลายพันระหว่างที่ท่านไปวิเวศแต่ท่านมิได้สะสมเกิดขึ้นที่ใดก็สละไว้ที่นั้นบนรรพชาและอุปสมบทครั้งแรกท่านอายุล่วงเข้าสิบแปดปีก็ได้บรรพชาเป็นสามนเณรในวัดบัวบานบ้านกุศลา น, นั้น มีพระอุปัชฌานูติดเสถีโลเป็นเจ้าอาวาสมีอายุพรรษามากพราะอายุไขของท่านก็แก่กว่าบิดามารดาของข้าพเจ้าเพราะท่านก็บวชแต่ยังหนุ่มแน่นและบิดามารดาเล่าก็ดําริดอยากให้ข้าพเจ้าบวชพร้อมทั้งเจ้าตัวก็ดีพระอุปัชฌาก็ดีมีความเห็นตรงกันก่อนจะปารบกันอยู่แล้วไม่มีสิ่งกินแหน่งแคลงใจอันใดและอุปัชฌาก็เปิดประตูทางกายทางวาจา ทางใจให้ใหปฏิบัติใกล้กลชิดรันสาแลกเรียนหนังสือทรรมใบลานพร้อมทั้งเรียนหนังสือสูตรสวดมนต์ไหว้พระชเช้าเย็นเรียนสิบสองตำนานแบบพิสดานพร้อมทั้งขัดตำนานธรรมจักรมหาสมัยอนัตตะละัคณะอาทิตตะอนุโมทนาวิธีสวดแงนการเรียนก็ดีการท่องบนสาธยายก็ดีสมัยนั้นต่างก็ถือเอาเป็นจริงเป็นจังกันในสานัก พัรษาที่สองท่องนวโคว่าจบแต่ฤดูแรงแต่ที่จริงพรรษาที่สองและฤดูฝนท่องหนังสือธรรมจักรมหาสมัยอนัตต์อาทิตต์จบแล้วขั้นถึงพันษาที่สามออกพรนศาแล้วเดือนพฤศจิ ก, กายนก็ลาสิกขาจากสัมมาเนนคัดเลือกทหารเดือนเมษายนมานดาวิตกวิจารเก่งถูกทหารก็พอดีคัดเลือกทหารได้ดีหนึ่งแต่จับสลากไม่ถูก แปลว่าลาสิกขาจากสั ม, มเนนอยู่หกเดือนจึงคัดเลือกทหารพอเดือนพลิสภาคมในปีนั้น <พอ S 1> ก็เข้าอุปสมบทเป็นพระในวัดเดิมอุปัชาเดิมสมัยนั้นใครลาสิกขาไปวันหนึ่งสองวันก็ตามเมื่อกลับมาบวชใหม่ต้องได้เรียนนักธรรมช้นเก่าของตนแม้จะสอบได้แล้วก็ตามให้สอบอีกข้าพระเจ้าก็สอบอีกได้คะแนนเทียบโทรคราวนี้ได้เบเียดหอคาว่าหอแปลว่าให้ถูกแปลว่า สอบนักธรรมปรีในธรรมสนามหลวงได้สองครั้งได้ใบ ป, ประกาศสองใบพอสอบนักธรรมแล้วไม่นานก็ได้ลาสิกขาจากพระภิกษุห่วงทุกแห่งคลาวาการลาจากเพศพระภิกษุก็ไม่อยากจะลาเท่าใดแต่หมู่เพื่อนพาทนองก็ลาไปตามเพื่อนพอลาสิกขาจากพระภิกษุได้หกเดือนก็แต่งงานอยู่ด้วยกันปีหนึ่งก็เลิกกันได้บุตรคนหนึ่งเป็นเพศหญิงห่างจากนั้นหนึ่งปีก็แต่งงานอีก ที่เขตเทศบาลชานเมืองอุดรคือบ้านเดือตนตําบลหนองบัวสถานีรถไฟหนองบัวห่างจากแต่งงานเก้าปีมีบุตรสามคนผู้หัวตีเป็นชายผู้ที่สองเป็นหญิงผู้ที่สามเป็นชายแต่ผู้ที่เป็นหญิงนั้นพอได้สามปีก็ถึงแก่กรรมไปในปีครบที่เก้านั่นเองภรรยาป่วยอยู่สิบห้าวันก็ถึงแก่กรรมไปเสร็จชาปนกิจแล้วก็พักอยู่อีกปีหนึ่งมารดาของข้าพเจ้า ก็มรณะไปอายุของท่านล่วงไป80สปีแล้วก็มอบหมายลูกให้ป้ากแก่นสา ม, มีชื่อคําพาฝ่ายชาวนาป้ากแก่นนั้นเป็นพี่สาวภรรยาของข้าพเจ้าท่านเป็นหมันไม่มีบุตรได้ลูกข้าพเจ้าทั้งสองคนคือเด็กชายเสาอายุ8ปีเด็กชายหลุยอายุสามปีพร้อมทั้งเลือกสวนละเล่นาเรือนชานบ้านช่องกระบือสามตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นมรดกของผู้ตายคือภรรยา ได้แบ่งกรรมสิทธิ์กันก่อนตายแล้วแปลว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขวนขวายทำอะไรในด้านยุ่งข้าวและเลือนชานตลอดถึงที่ดินโคกระบือมีแต่ตั้งหน้าทำมาหากินอย่างเดียวเพราะมรดกเป็นของภรรยาส่วนป้าแก่นอันเป็นพี่สาวของภรรยาผู้เป็นหมั่นนั้นมรดกก็ปันไว้ส่วนหนึ่งต่างหากไว้ก่อนน้องสาวมรณะแล้วส่วนน้องชายป้าแก่นสามคนพี่ชายป้าแก่นคนหนึ่งนั้น เขาก็แบ่งคนละส่วนส่วนไว้เรียบร้อยแต่ก่อนแล้วผู้ได้รับโชคก็คือป้ากแกนคือได้หลานผู้ชายสองคนทั้งมรดกของหลานก็ได้อยู่ในกำมือบริหารด้วยเพราะเป็นหมันมีหน้าที่ที่จะได้หาบุตรมาเลี้ยงอยู่โดยตรงๆแต่ข้าพเจ้าก็มีโชคทางบวชตั้งแต่ทิ้งภรรยาคนก่อนก็นึกจะบวชอยู่แล้วแม้บิดาก็แนะนาให้บวชอยู่แล้วแต่ตนถือมานะว่าเขาจะยาะเย้ยว่าหาเมียไม่ได้แล้วหนีไปบวช เสียเปรียบเมียเก่าบิดาได้ฟังแล้วก็หัวเราะมินนำซ้ำขณะที่เมียพูดที่สองนี้ยังไม่มีทองบิดาก็พูดทางรับคุมให้หมีไปบวชอยู่เพราะบิดารักการบวชยิ่งกว่าจะแต่งงานให้ลูกชายอยู่แต่ไหนแต่ไรมาและนิสัยของท่านไม่ยอมให้ท่านผู้อื่นบันพระชาหรืออุปสมบทให้ลูกของตนเลยคือฝ่ายบริขารจะบวชมิหนำซ้ำท่านคุยว่าลูกชายทั้งหมดจะพากันบวชจริง ปฏิบัติให้สมควรแก่พระจริงจะบวชจนวันตายพ่อก็ยินดีส่งเสริมทุกเมื่อส่วนพวกเป็นเพศหญิงอันเป็นลูกๆลูกพ่อรับอาสาเลี้ยงเขาจนกว่าจะมีครอบครัวได้แม่ของสูจะตายก่อนหรือหลังขู่ก็พอมีฝฟืนให้เผาได้ฝฟืนคือสตังพ่อแม่เผาพงวงศกูลเป็นผู้มีสารนังขจามิแห่งพุทธธรรมสงเท่าที่ควรคืนสู่เพศพรหมจปานลในเรื่องบวชต่อไป การบวชต้องบวชมหานิกายก่อนพระอุปัชฌาย์ที่บวชนั้นคือพระครูคูลบ้านท่าตุลได้นิมนต์ท่านมาบวชที่บ้านยางบ้านยางนั้นมีหลวงพ่อทองสุวรรณสโลเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นลูกศิษย์ของอุปัชฌาย์หนูบ้านกุสะด้วยพระครูคูลก็เช่นกันได้นิมนต์ท่านอาจารย์เสาบ้านดงลิงมาเป็นอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อทองสุวรรณสโลเป็นกรรมวาจาจารย์พระครูคูลเป็นอุปัชฌาย์ ฉไนจึงไม่ไปบวชธรรมยุตธเล่าตอบว่ามารดากำลังชลาภาพหนักเขา้าเพราะที่นั้นอยู่ใกล้มารดาไกลกันเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นจะได้เยือนมารดาสะดวกในทางธรรมะและอุปัชฌาและอาจารย์สวดเล่าก็ได้เขารกนับถือกันมานมนานพร้อมทั้งวงวานด้วยและเมื่อองค์ท่านได้รับทราบข่าวว่าจะบวชองค์ท่านก็เปิดประตูทางกายวาจาใจด้วยและข้ามกลไม่ได้เพราะเกณฑกระทบกระเทือน และองค์ท่านเราก็มีนิสัยใจคอกว้างกวางมากทุกๆด้านพอ2สองสี่แปดหกนั่นเองเป็นเดือนเมษายนพอบวชแล้วข้าพเจ้าก็ท่องหนังสือสูตรต่างๆคืนมาได้หมดแต่พรรษาแรกตลอดทั้งนวโควาดและ ร, รมวิภาเเล่มหนึ่งเล่มสองพร้อมทั้งเรียนนักธรรมโทต่อก็สอบนักธรรมโทได้ในปีนั้นขั้นพรรษาที่สองก็เรียนนักธรรมเอกต่อสอบในสนามหลวงวัดโพธิสมพรูดรน เพสมัยนั้นทั้งธรรมยุทธ์มหานิกายต้องไปสอบสนามหลวงวัดโพธิสมพรแห่งเดียวกันและข้าพเจ้าบวชมหานิกายคราวนี้ได้ปฏิบัติข้อวัดเพ่งขึ้นเฉพาะส่วนตัวพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็ไม่ขัดข้องคือฉันหนเดียวมือเดียวเอกาสะนิกังค่ะไม่ฉันเจ็ดจิตเจ็บตอนก่อนเที่ยงและเที่ยงเว้นไว้แต่เพรศแก้โรคฝายขุดดินพลาดของเขียวข้าพเจ้ากองวดเวนมูลค่า ถ้าพระเจ้าก็ไม่เก็บเองเพื่อสะสมมารดาก็มรณะในปีนั้นท่านมีสติสงบเรียบร้อยคือตายคาภาวนาพุทโธไม่ไว้ใจในสังขารทั้งพวงชาปนกิจศมารดาเสร็จแล้วก็กราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ไปหาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจุมพันธุโลกสมัยนั้นท่านเป็นพระเทพกวีส่วนอุปัชฌาย์อาจารย์เดิมท่านก็ห้ามแสดงความอาลัยอเนกปรลิเก ย, ยจึงกราบเรียนท่านว่า กระผมบวชเมื่อแก่อายุขั้น30สบลูกตายเสียเมียตายจากถ้าอยู่ใกล้บ้านไม่ได้ปฏิบัติสะดวกโลกจะกล่าวว่าบวชเลี้ยงชีวิตและการบวชคราวนี้ก็เห็นภัยในสงสารอย่างเต็มที่ไม่ไว้ใจในชีวิตเลยและไม่ไว้ใจในสังขารทั้งพวงด้วยอยากจะไปปฏิบัติทำเพื่อคล่ทุกข์ในสงสารขอรับท่านฟังแล้วก็มีกิริยาสังเวชก็เลยอนุญาตกราบลาท่านแล้วก็จแจ้งแต่งบริขาร ให้หลานชายคนหนึ่งชื่อบุญไหลายบุญมาตุนซึ่งเป็นลูกชายของพี่สาวผู้ที่ชื่อว่านางแก้วตามไปส่งถึงวัดโพธิสมพรมหาสุภัตอันเป็นหลานของข้าพเจ้าก็เป็นพระเลขาของท่านเจา้าคุนพักอยู่ชั้นล่างกุฏิของท่านเจา้าคุนแล้วก็ขึ้นไปกราบเท้าท่านแล้วถวายหนังสือรับรองให้องค์ท่านหนังสือรับรองนั้นมหาเฉลิมหลานเขยที่เป็นครูสอนโรงเรียนอยู่บ้านยางเขียนรับรองให้และมหาเฉลิม ก็เป็นพี่เขยมหาสุภัตถเคยได้บวชกับท่านเจ้าคุณมานมนานในวัดโพธิสมพร น, นั้นแล้วทั้งได้เป็นลูกศิษย์อยู่ใกล้ชิดท่านเจ้าคุณยุค ก, ก่อนมหาสุภัตมาแล้วได้ลาศิกขาไปสอนโรงเรียนฝ่ายโลกนับว่าเป็นโชคดีที่เหมาะสมทุกประการแม้ท่านเจ้าคุณเทพกวีก็รู้จักเผ่าพงวงตระกูลของข้าพเจ้าดีพอแล้วเพราะเป็นตระกูลที่มีสัมมาอาชีวะองค์ท่านก็รับไวแ้แบบเบาใจเบาธรรม เมื่อองค์ท่านเมตตารับแล้วก็ให้พักอยู่ชั้นล่างกับพระมหาสุภัท้นประมาณเจ็วันองค์ท่านก็สั่งให้โยมวัดป่าหนองน้ําเข็มมารับเอาไปปฏิบัติรอยัตติในวัดป่าโพชัยบ้านหนองน้ําเข็มนั้นมีหลวงพ่อบุญมีเป็นเจ้าอาวาสไกลจากวัดโพธิสมพรอุดรธานีประมาณ12กิโลเมตรเป็นตําบลเคียงยืนขึ้นอาเภอเมืองอุดรและวัดป่าโพชัยหนองน้ําเข็มนั้นเป็นวัดที่เขาสร้างถวายพระอาจารย์ใหญ่มั่น ในกล่าวพระอาจารย์ใหญ่มั่นกลับจากเชียงใหม่มาอุดรที่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนิมนต์มาพักฤดูแรงพอถึงฤดูฝนปีนั้นหลวงปู่มั่นก็จําพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศการเมืองอุดรทางทิศเหนือของเมืองอุดรเป็นมงคลดีจะ ก, กล่าวถึงหลวงพ่อปุณมีวัดป่าโพชัยหนองน้ําเข็มอําเภอเมืองไว้บ้างในส่วนปฏิปทาของท่านท่านก็ได้ศึกษาเรียนกับหลวงปู่มั่น ในคราวหลวงปู่มั่นพักอยู่วัดป่าหนองน้ําเข็มนั้นเป็นอย่างจริงจังรู้จักและอ่านออกข้อวัดทุกประการบ้างพอพวนในการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นและท่านก็เคารพรักหลวงปู่มั่นแบบไม่จืดจางได้หลวงพ่อบุญมีปฏิบัติเคร่งครัดพอพวนอายุ72ปีพรรษาย่างเข้า18บพรรษาท่านมีอุบายสั่งสอนเยื่อเย็นแยบไายพอพวน ด้วยให้หนักไปในการบุดพลโดยด่วนในสังสารทุกข์ไม่พาทำงานจุกจิกอะไรเพราะปัจจัยสี่ในสำนักพอเป็นพอไปได้แล้วพาเรื่องรัดความเพียรโชคโจนกลางวันไม่ให้หลับเพิ่มเลยทั้งตรงต่อเวลาด้วยตามการของข้อวัด ต, ตอนกลางคืนก็ให้หลับประมาณสามสี่ชั่วโมงเท่านั้นยัติธรรมยุตธคันถึงเดือนกุมภาพันธ์ในฤ ด, ดูแรงปีนั้นเองท่านเจ้าคุณเทพกวีจูมพันธุโลก ก็สั่งให้เข้าไปยับติพอได้เวลาจัดแจงบริขารเพิ่มพอเพียงแล้วพร้อมทั้งญาติโยมและพระที่ไปด้วยสององค์ก็พากันเดินด้วยสีเทา้าไปถึงวัดโพธิสมพรเมืองอุดรธานีไปหาท่านที่กุติกลาบเท้าถวายน้มัตสการท่านว่าเจ้าต้องทำพิธีลาศิกขาออกจากมหานิกายก่อนหรือประการใดหนอองค์ท่านกรู้าว่าไม่ต้องดอกเพราะเจ้าเป็นผู้ตั้งใจดูว่าดีแล้ว นุ่งเหลืองหมเหลืองตามเดิมเข้ายัตติมหาสุภัสเธยเอามีดโกนมาเราจะโกนหัวให้เป็นทิพีผมจะไม่ยาวพอโกนก็ตามเราลงมือโกนให้เป็นศิลิเมื่อพิจารณาตามพระวินัยแล้วองค์ท่านทำถูกมากพระวินัยบอกไว้ว่าอุปัชชาจะโกนหัวให้สัตติวิหาลิกก็ควรเพราะต่างไปจะได้เคารพรักกันเป็นปติตาลมท่านโกนผมแล้วองค์ท่านก็ให้พระไปตีระครัง มารวมที่โบสถ์แล้วก็เข้ายัตติมีพระครูธรรมทธรเป็นกรรมวาจาจารย์พอเสร็จแล้วองค์ท่านก็ออกใบสุตทิให้เลขนับจำนวนใบสุทธิ1 3 1 8วันที่15้ากุมภาพันธ์2488เวลา 13.15 นาฬิกาสนาทีส่วนใบสุตทิเดิมใช้ไม่ได้เพราะคนละสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลาบเท้าลากับวัดโพชัยหนองน้ำเข็มตามเดิมกลับถึงก็พอดีข้ามมืด แก้ปัญหาตอนมีได้แล้วรู้สึกเบาใจมากแล้วก็ต่อ น, นิสัยกับหลวงพ่อบุญมีในวันนั้นต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติไม่มีกังวลทางอื่นเลยสมัยนั้นสถานที่วิเวกบังเวงดีนักแต่มีงูกระปะามากเพราะเป็นดงป่าไม้ไล่บ้างต้นมะแหน่บ้างต้นเอ็นหมอนบ้างพอถึงเวลาเข้าพรรษามีพระห้าลูกสามเณรสามลูกด้วยกันมีการถือทุดงพอควนกลับถึงวัดแล้วไม่รับอาหารที่เป็นปัจฉพั หวานขาวรวมลงในบาทองค์ไหนทำอาหารให้เหลือในบาทในยามฉันหยิ่มแล้วเท่าฟองไข่ไก่ถือว่าไม่รู้จักประมาณในการเอาไว้ก่อนจะฉันไม่ถือว่าเป็นของลำบาก ด, ด้วยต่างก็รู้สึกสนุกใจด้วยการพอใจทำเพราะมีแต่ท่านผู้ตั้งใจทำตามสมควรแท้การภาวนาพรรษาแลกการภาวนาเฉพาะส่วนตัวก็ได้กาหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเป็นส่วนมากแท้จริง ได้หัดทำตั้งแต่อยู่เป็นาาคราวาสคราวภรรยาตายแล้วเป็นต้นมานิมิถเห็นแสงดาวและนิมิตเห็นก้อนเมฆที่ไหลผ่านมาแล้วแตกสลายได้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นประจักษ์แต่เป็นคราวาสแล้วจิตที่รวมลงในอาณาปานสติไม่ได้ยินเสียงใดๆตัดเสียงหมอลำที่เขาลำอยู่ในวัดที่กําลังเป็นพระมหานิกายอยู่ก็ได้รู้จักรสชาติสมควรแล้วไม่สงสัยเลยพอหมดกําลังก็ถอนออกมา ก็ได้คำหนึ่งน้อมลงสู่ไตลักแถมท้ายสงเดชฉะนั้นการปฏิบัติมาแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ท่านผู้ใดเล่าเรื่องนิมิตต่างๆนาน า, นาสารพัดให้ฟังก็ฟังได้แต่ไม่ตื่นเลยเพราะนิมิต ท, ทั้งหลายไม่ใช่พระนิพพานเกิดขึ้นแล้วก็แปรป ล, ลวนแตกสลายเท่านั้นเพราะไม่คนกองคนของไตลักเพราะนิมิตกับกิเลสมันเป็นผลละ ล, ละชาติกิเลต่างจากนิมิตไกลกันลิบลี่เลย อยู่กับหลวงพ่อบุนมีนิมิตไม่มากแต่ถึงกันนั้นเตียงที่นอนอยู่พาหอะลอยไปในอากาศก็มีบางทีหอขึ้นไปบนอากาศแล้วตีลังกาพลิกคว่ำพลิกหงายโลดโผนเดินจงกรมในอากาศนอนกลางอากาศเข้าสมาธิก็มีและในเวลาที่นอนฝังอยู่บนอากาศเช่นนั้นตอบตนเองว่านี่สิจึงเป็นสมาธิเมื่อหมดกาลังก็ถอนออกมาเห็นลมเข้าออกตามเดิมอุปจารสมาธินี้ เป็นไปโลดผลต่างๆนานากุศลสมาธิชั้นนี้อยู่ใต้อำนาจอานิจจังผู้มีปัญญาน้อมลงสู่ตร ล, ลักณได้เร็วฟันทันเวลาเป็นทางกันความสำคัญตัวว่าประเสริฐได้เป็นทางไม่ให้นอนใจติดอยู่เพียงแค่นั้นผู้ขาดการศึกษามักฝ่าให้เพิ่มบ้าว่าตนภาวนาเก่งใครเทศก็ไม่ลงเพราะขาดปัญญาปรงลงสู่อนิจจัง เพราะธรรมอนิจจังเป็นสารยุติธรรมตัดสินฝ่ายสังขารธรรมไม่ลงบันลังอยู่ทุกการปัญญายาณต้องรู้ตามเป็นจริงส่งคืนไม่มีหน้าที่จะต้องไปปล้นไปที้ว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลอะไรจะกลายเป็นหักดอกไม้บูชาอาวิชชาความมัวความเมาให้บวกทวีคูณขึ้นไปนักภาวนาชอบมาติดอยู่ชั้นนี้แกะยากจนกว่าจะเห็นคุณและโทษในชั้นนี้ด้วยตนเองชัดเจนแล้วจึงจะข้ามพ้น จากความเข้าใจผิดไปได้สะดวกไปหาหลวงปู่มั่นเมื่อจําพรรษาครบสลายมาสแล้วสิ้นการจีวรเดือนพฤสจิกายนข้างแหลมแต่ปีนั้นได้รับกรถินอยู่ก็ลาหลวงพ่อบุญมีไปหาหลวงปู่มั่นแต่การจัไปเที่ยววิเ ว, วกไปด้วยสีเทาไม่ไปตามทางถนนเว้นไว้แต่บางบ้านบางถิ่นไม่มีทางลัดหลวงพ่อบุญมีก็ไม่รู้ว่าจะห้ามประการใดญาติโยมก็เหมือนกัน แต่ต่างฝ่ายต่างก็อารยกันตามธรรมเนียมของความวิโยคในการไปครั้งนี้มีผู้ร่วมทางสี่ลูกด้วยกันเป็นสามเณรองค์หนึ่งอายุสิบห้าปีและตาปากขาวคนหนึ่งอายุราวห้าสิบปีและมีพระอีกองพอวันใหม่ฉันเช้าเสร็จได้เวลาก็กราบลาหลวงพ่อและญาติโยมออกจากสถานที่เดินทางไปทางทิศใต้ภาวนาพุทธโธพรอมก้าวเดินและวิจารณในพุทธโธว่า ไม่เกิดไม่ดับไปไหนเกิดดับเป็นแต่จิตตะสังขารที่บริกรรมถ้าจะภาวนาพระคุณออกไปข้างนอกก็ไม่มีที่สิ้นสุดได้เพราะมีมากถ้าจะภาวนาย่นเป็นสามก็พระวิสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณแต่ก็ใหญ่หลวงไม่มีประมาณอีกย่นลงในผู้รู้เหล่าก็ไม่มีประมาณอีกย่นลงในเอกคุณในปัจจุบันก็เป็นเอกคุณในปัจจุบันอันใหญ่หลวงอีกและทำเล่า สงเหล่าก็กลมกลืนอยู่ในตัวแล้วเป็นเชือกสามเกลียวเป็นเพียงใช้อสรย่อบริกรรมเท่านั้นเมื่อตกลงในใจได้ดังนี้ก็พอใจบริกรรมพุทโธพร้อมก้าวที่เดินไปค่าพอดีก็ถึงบ้านแม่นนท์พักที่วัดโบราณเก่าลางเป็นเขตอําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรนมีต้นไม้เป็นธรรมชาติของป่าทึบใกล้บ้านเงียบสงัดมีโบสถ์ร้างผุพังลงกระจัดกระจายกว่าพันปีเขาบอกว่าผีดุมาก แล้วก็พักอยู่ที่นั้นหนึ่งคืนก็ไม่เห็นผีผีผาผาอะไรก็คงมีแต่ผีโลกผีโกดผีหลงที่ดองสาดานตนอยู่ยังไม่พ้นไปเท่านั้นขั้นบินทบาทฉันเช้าเสร็จก็เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกของบ้านนั้นข้ามทางรถไฟตรงไปริมทางหนองหารผ่านพ้นบ้านกุสะบ้านพลึกเมืองปังบ้านเหล่านี้มีแต่ทุ่โลงถึงบ้านโพนทองค่าพอดีเวลาเดินทางก็ภาวนาพุโทโธตามเคย ไม่จําเป็นไม่ได้พูดกันพักที่นั้นหนึ่งคืนฉันเสร็จเดินทางต่อคําว่าฉันเสร็จนั้นพูดคําย่อการบินขบ่าเป็นวัดและฉันในบาทรวมทั้งภาชนะบาทนั้นก็ดีและทั้งหวานทั้งข่าวรวมนั้นก็ดีมื้อเดียวนั้นก็ดีไม่ได้ลดละไปทางไหนได้แม้บุรีก็สมาทานไม่สูกแต่ต้นพรรษาแล้วใช้บริขาร น, น้อยสะพายบาทเดียวและเวลาเดินทางแต่ฉันเสร็จแล้วจนค่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ดื่มน้ํา การหายบ้านก็อดเอาเพราะเกฑงเท้าแตกที่เรียกว่าลงพื้นจนกลายเป็นโรคค้องผูกมาจังหัดนี้วันนั้นเดินทางถึงตัวอำเภอหนองหานพักหนึ่งคืนที่ศาลาบินถบาทฉันเสร็จเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองหานมี่แตเนินสุดสายหูสายตาเงียบสงัดหมดวันก็ไม่เจอคนสักคนเลยถึงบ้านคําตานาค่ําพอดีไปพักวัดล่างคืนหนึ่งเชา้าได้เวลาฉันเสร็จก็เดินทางต่อ ข้ามบ้านตาดัดถึงบ้านโพขณะที่เดินทางวันนี้เวลาเที่ยง ส, สดใสกำลังเดินทางอยู่นิ้วเท้าของข้าพเจ้าทางขาซ้ายนับจากแม่นิ้วมาเป็นนิ้วที่สองไปชนกับตอเล็กๆที่อยู่กลางทางเล็บหลุดออกหมดเหลือแต่หนังนิดเดียวแขวนแกว่ ง, งอยู่ได้กลั้นใจดึงออกทิ้งเลือดไหลแดงจึงคว้ากาเอาดินทรายมาพอกฉีกท้าเช็ดเท้าที่พันกับตีนบาดมาพันแล้วก็เดินไปใจก็นึกสังเวช เรื่องที่ว่าชาติชาติพบๆบในสงสารมากบ้านโพนีน้ำจะดื่มจะสงก็อดกันแะแ้คนริงมากเป็นขี้กราบ ก, กันและเรื่องที่เล็บหลุดออกมานั้นก็เลยไม่งอกมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นอนุสรณ์ให้เจ้าตัวได้คำนึงถึงอตีตาลมที่ได้ผ่านทุกมาในสงสารอนเนกปริหญ่เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นเหตุให้สิ้นความสงสัยในชาติก่อนๆว่าเป็นมาอย่างไรตลอดจนถึงชาติอนาคต เพราะชาติในปัจจุบันเป็นพยานเอกอยู่แล้วจะไปหาพยานที่ไหนอีกต้องยอมจำนนยกทงเขา ว, ว่าชาติทุกข์เท่านั้นชราพญาณมลณนะไม่ว่าประไดเพราะลงไทยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นและก็เป็นจริงอย่างนั้นและก็มีรสชาติอย่างนั้นสัมผัสโทรเลขให้รู้อยู่ส่วนใจจะโศกจะเศร้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละลายของท่านผู้ปฏิบัติเป็นชั้นชันไปไม่เสมอกันหมดได้ แต่เมื่อพ้นจากความหลงโดยชื่นเชิงแล้วรสชาติของความพ้นนั้นเสมอกันผิดกันแต่ฤทธิดเดชลาภยศทำนายทายทักที่เอาออกมาใช้กับบุคคลและสังคมเทวดามารมเท่านั้นฉะนั้นพนิพานจึงไม่มีวิมานและรูปประขันนำมังขันไปเสวยและไม่มีที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินเป็นอันดับกันจะมีอันดับกันก็แต่ขันทวิบากยังไม่นิพานเท่านั้นที่เรียกว่า สอุปาที่เสสนิพานเมื่อถึงอนุปาที่เสสนิพันธ์แล้วจะยืนยันว่ายังไงได้เปลวไฟถูกกาลังลมพัดแล้วก็ดับไปจะยืนยันว่าเปลวไฟไปตั้งอยู่ที่นั้นที่นี่ก็ไม่ได้หรือยืนยันว่าศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้อีกเพราะเปลวไฟไม่ได้สําคัญตัวอะไรผู้ยืนยันสําคัญตัวต่งางๆเป็นธรรมอันลึกซึ้งปุถุชนจะเดาด้มคาดเนียะขันพัดอยู่บ้านโพที่วัดล้านคืนหนึ่งแล้ว บินธบาติฉั่งเช้าเสร็จก็เดินทางต่อมีแต่โคกเท่านั้นข้าพอดีก็ถึงบ้านดุงอำเภอบ้านดุงปัจจุบันนี้เองพักหนึ่งคืนตื่นเช้าบินธบาติฉั่ง เ, เสร็จเดินทางต่อไปบ้านกําแม่ถึงบ้านวังทองข้ า, าพอดีพักอยู่วัดลางบ้านนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมเสือและงูเป็นต้นเพราะมีป่าทึบเป็นดงล้อมบ้านบ้านวังทองนี้สุดเขตอำเภอหนองหานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเท่านั้น ต่อแดนกับอำเภอสว่างแดนดินที่บ้านวังทองนั้นเขาวิงวอนและนิมนต์ให้พักอยู่นานบ้างเพราะมีที่พักวิเวทเหมาะสมทุกประการและชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามีเสือโคร่งโลดโผนมากพอตกกลางคืนเดือนหงายด้วยซ้ากระโดดข้ามรั้วเข้าคอโครกระบือเข้ามากัดคอและกระเบือในคอกใกล้เลือนคนในบ้านแล้วกระโดดออกวิ่งหนีไปจึงกลุ่มารกันว่า พวกเราเดินทางมาติดต่อจนคำ่ำนับแต่จากที่จำพรรษามาจนบัดนี้เป็นเวลาหลายวันถึงแม้ว่าสนุกในการเดินภาวานาก็จริงแต่ร่างกายไม่ได้พักผ่อนพอควรเราต้องหยุดพักทำความเพียรเขาจะเล่าเรื่องเสือเสือศาสาก็ตามบางทีเขาจะลองพวกเราว่าเป็นผู้กลาดกลัวเกินไปหรือไม่ก็อาจเป็นได้และเขาก็ปวานาว่าจะทารานให้พักองละลานที่ในป่าอันไกลบ้านพอควร ถ้าเราไม่พักให้เขาก็จะเสียตะปูลปฏิบัติเมื่อปลาลบกันเห็นดีแล้วถึงวันใหม่เขาก็มาทำลานให้ในดงอันใกล้ ห, นหน้วยที่มีน้ำมีต้นยางใหญ่ๆล้มคืมนเขามาทำให้หมดบ้านเสร็จในวันนะั้นสูงห้าสิบเซนกว้างยาวพอดีกับกดและพอนอนสุดเทาเอาไม้กลมเล็กมาเรียงกันเอาตอกมัดไถหัวปูต่างฟ้าไม่ต้องกั้นและมงเอาตรดและมงและลมไม้ขณะนั้นเป็นฤดูหนาว พอถึงตอนเชา้ากดก็เปียกมุงก็เปียกพักทำความเพียรกันอยู่ที่นั้นประมาณยี่สิบวันพ่อสะดวกพอควรและไม่มีอันตรายใดๆด้วยเสือเสือสาสา็่อไม่เห็นมีมาพบแต่ ง, งูกระปะบ้างเท่านั้นเห็นแต่เม่นตัวหนึ่งตอนกลางคืนมันเข้ามาหาที่ใกล้มุงแล้วมันก็วิ่งหนีเสียงดังจริงๆไปทางอื่นเพราะผลของมันกระทบกันด้านจิตใจหนักเข้าหาทำติดต่อกันวันหนึ่งจึงปึกษากันว่า เรามาพักอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลายี่สิบกว่าวันแล้วพอคุ้มค่าเขาทำลานให้แล้วและจะจวนเวลาข้างหน้าการจะไปต่อไปครั้งนี้ต้องแยกกันเป็นสองพวกจึงจะเหมาะดีเพราะการไปสำนักหลวงปู่มั่นกล่าวเดียวสี่คนนั้นไม่ถูกกับความประสงค์ของหลวงปู่มั่นเพราะเราหวังจะไปอยู่ด้วยไม่ใช่ไปฟังเทศเฉยๆแล้วก็ลาไปทางอื่นหรือกลับปลาลบแล้วก็เห็นดีกันไม่ขัดกัน ตาปักขาวตกลงจะไปกับพระทางหนึ่งจะไปบ้านลงเย็นหาพระอาจารย์พรหมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกล น, นครส่วนเน่งบุปผาจะไปกับข้าพเจ้าเพราะเน่งได้สัญญาไว้แต่ต้นทางก่อนออกจากอุดรว่าถ้าไปถึงท่าขนนมแล้วจะกลับไปเรียนหนังสือนักธรรมวัดโพธิสมพรอุดรและเมื่อตกลงกันแล้วตื่นเช้าฉันเสร็จแล้วก็พากันลาญาติโยมโยมก็ไปส่งพอไม่หลงทางแล้วก็บอกให้กลับ ข้ามบ้านบ่อเมืองไพรเดินไปตามริมสายดงข้ามพอดีก็ถึงวัดป่าบ้านโกกคอนเข้าไปกราบเจ้าอาวาสป่าใสาถามไถ่รู้ความประสงค์แล้วก็จัดแจงที่พักให้การภาวนาปัดใจสี่ตลอดชีวิตคั้งเป็นวันใหม่ลินขบาทฉันเสร็จก็กราบลาเดินทางผ่านดงบ้านโคกคอนพักวัดลางบ้านดงบังสักครู่ลงจากนั้นก็เดินทางต่อเดินทางก็คือเดินภาวนา มิได้คุยกันไปพลางเว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็นเดินตามทางคนบ้านทางเกวียนบ้านข้ามพอดีก็ถึงบ้านท่อนพักวัดลางเช้าฉันเสร็จเดินทางต่อข้ามป่าบ้านท่อนข้ามพอดีก็ถึงบ้านหนองหางพักหนึ่งคืนตื่นเช้าบินสบาทฉันเสร็จก็เดินต่อข้ามบ้านตาลเดี่ยวข้ามป่าไปอีกประมาณสองชั่วโมงก็ถึงอําเภอวานนอนนิว่าเป็นเวลาเที่ยงวันหยุดพักพอหายเหนื่อยก็เดินทางต่อ ถึงบ้านกุดเหลือก็พอดีค่ำสี่โมงเย็นโยมพอแลเห็นรีบมารับปาดและกลดแล้วพาไปพักวัดป่าบ้านเขาวัดนั้นไม่มีพระเพราะท่านไปวิเว้ทางอื่นกันหมดแล้วโยมเขารับต้มน้ำซักผ้าให้เขาต้มเองซักเองเขาว่าเขาเคยแล้วเขาเป็นเองนี่ได้บอกเขารู้จักปวารณาปัจจัยสี่ตลอดชีวิตจะอยู่ทิดไหนก็ตามถ้าต่างฝ่ายต่าง ม, มีชีวิตอยู่ขอให้มีหนังสือมาบอก ขอได้เว้นไว้แต่สิ่งที่เหลือวิสัยก็จะได้กราบเรียนขอยอมจึงตอบเขาไปว่าพวกท่านเป็นพุทธมามักะเต็มภูมิแล้วอาตามาขออวยพรให้ทินโยยิ่งจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดเวลานี้บริขารทุกๆประการก็บริบูรณ์อยู่แต่มีความต้องการได้เย็บผ้าประมาณสองวานบางทีผ้าขาดค่ำคืนจะได้ชุนและปักท่าและอีกก็เกลือและปิกขอให้ตาใสกันให้ละเอียด ทั้งเกลือและพิกปนกันแล้วให้ได้ประมาณ4ี่ห้าช้อนโตะหากระบอกไม้ไผ่มาใส่เป็นยาปรามัดเดินทางไกลจะได้ฉันกลับมาขามป้อมและสะมอเป็นยาช่วยระบายเพราะเดินทางวันยังค่ำติดต่อจากอุดรมาท้องผูกไม่ถ่ายได้หกเจวันนี้แล้วโยมเอ๋ยเขาฟังแล้วทำท่าปลงทําสังเวชแล้วเขาตอบว่าเรื่องนิดเดียวขอรับไม่เป็นของลาบากแก่ผู้จัดถวายจะต้องการมากกว่านั้นก็ได้ขอรับ ได้ตอบเขาไปว่าเอาไปมากก็หนักและเกินงามของผู้เดินด้วยสีเทาเพราะหนทางเล่าก็เดินทางลัดป่าลัดดงลัดโคกเทียงสีห้าชอนโตนั้นก็ใช้ได้นานแล้วเพราะมีสององค์ตกลงพักอยู่ที่วัดป่านั้นสามคืนบ้านนั้นสังเกตดูตามรรมแล้วสนใจทางปฏิบัติธรรมกันมากทั้งผู้เท่าผู้แก่รุ่นหนุ่มปานกลางมีผิวพรรณผุด่องหน้าตาคมขายมีกิริยามารยาสุภาพ พากันมารักษาศีลภาวนาตามล่มไม้เต่งลังในวัดเป็นทิวแถวเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแม้วัดจะไม่มีพระก็ตามก็พากันมาอย่างนั้นสงบไม่เกี่ยวกล่าวกึงคะนึงอันใดเลยเวลาไปบินธบาตเขามายืนรวมกันแห่งเดียวที่กลางบ้านเลี้ยงตัวกันเป็นแถวประมาณห้าสิบคนและบ้านก็มีหลังคาเรือนประมาณห้าสิบหลังคา อาหารหมกห่อใส่บาดเลียบและการนิมนต์ของเขาก็ฉลาดมากเขาพูดว่าการที่พระคุณเจ้าพาสา ม, มเณรมาผ่านพัธิบ้านและวัดป่าของพวกพระพเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายนี้เป็นของทิพย์มาเองโดยสุภาพนับว่าเป็นบุญอันล้นเหลือแล้วละ่ะแต่ความประสงค์ของพระคุณเจ้าจะไปต่อไปในทิพย์ใดๆก็ยังไม่ทราบได้ถ้าหากว่าต้องการพักปฏิบัติอยู่นี้ จนกระทั่งพวกกระผมสิ้นลมปรานจนตาบใดๆก็ดีพวกกระผมก็จะตั้งใจปฏิบัติตามสติกำลังอยู่ต่ำนั้นหรือหากว่าจะพักอยู่ต่ำกว่านั้นลงมาก็มอบให้เป็นสิทธิของพระคุณเจ้าแต่ถ้าจะไปวันไหนเดือนไหนปีไหนก็จะตามส่งตามสติกำลังไม่ทอดทุลทั้งจะอยู่และจะไปขอให้พระคุณเจ้าเป็นหัวหน้าในทางที่เป็นธรรม อันสะดวกต่อข้อวัดปฏิบัติของพระคุณเจ้าเท่านั้นเป็นเกณฑ์พวกกระผมมีหน้าที่จะปฏิบัติตามไม่แสงออกหน้ า, า, าข้าพระเจ้าเกิดมาเที่ยวมาเกือบสามสิบจังหวัดแล้วพร้อมทั้งปัจจุบันที่กําลังเขียนอยู่นี่เองยังไม่เคยได้ยินญาติโยมกลุ่มใดพวกใดพรรคใดบุคคลใดปาลบคําอย่างนี้กับพระเลยหายากในตลาดโลกแล้ว ข้าพเจ้าค้มหน้าคำหนึ่งแล้วหาอุบายถามเขาว่าพระอาจารย์องค์ใดหนอแลที่ได้สั่งสอนบอกญาติโยมในวัดป่าบ้านนี้ให้พวกญาติโยมได้แยบใครในธรรมพอสมควรเขาตอบว่าพระอาจารย์บุญมีนักธรรมเอกบ้านสายมูลยโสธรเวลานี้ท่านกําลังไปเยี่ยมบ้านพระลูกศิษย์และสา ม, มาเณรก็ตามไปด้วยเห็นญาติโยมบ้านกุดเรือนี้เขาประวัลนาปัจใจสีถึงพลิกถึงขิงแล้ว ก็ยิ่งเกรงใจเขามากจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขออะไรอะไรต่อเขาเลยและไม่ได้ติดต่อเขาอีกเลยใครตายใครอยู่ก็ไม่ได้ทราบข่าวกันเลยจะลอยจะได้เคยร่วมบารมีกับเขาเพียงนั้นมาในพบข อ, อนก็อาจเป็นได้เพราะสังขารไม่แน่นอนในกรณีใดๆ